ติดตามรับฟังธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องมั ก, กระีผลจากบทประพันธ์ของสุทธสาอ่อนค้อมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธค่ะ